เจริญพรท่านพุทธศาส น, นิกชนผู้ใฝ่มุมไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มกราคมพุทธศาสาสักราช2549เป็นวันแรกของช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็หยุดด้วยกัน4วันด้วยกัน29 30 30 31หนึ่งและสองเป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสมาพิจรารณามาคิดบัญชีของการกระทำของเราที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเรามีผลบวกหรือผลลบ จากการกระทำของเราผลลบ ก, ก็คือการกระทำความไม่ดีทั้งหลายทำบาปทำกรรมผลบวกก็คือการทำความดีทำบุญทำกุศลเพราะการกระทำของเราจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลคือความสุขความเจริญหรือความเสือ่อมหลือความทุกข์ ที่จะตามมาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรทั้งสิ้นเกิดที่การกระทาของเราไปในทางที่ดีและไปในทางที่ไม่ดีเท่านั้นถ้าเราทาแต่สิ่งที่ดีที่งามผลที่ดีที่งามย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผลที่ไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเช่นเดียวกัน ไม่มีใครสามารถมายับยั้งผลของการกระทำของเราได้เราเท่านั้นที่จะยับยั้งผลของการกระทำได้ด้วยการไม่กระทำนั่นเองถ้าไม่ต้องการผลเสียก็อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่ต้องการถ้าต้องการผลดีก็ขอให้ทำแต่สิ่งที่ดีในอดีตตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัด น, นี้ เราได้ทําความดีมากน้อยเพียงไรเราได้ทําความไม่ดีมากน้อยเพียงไรถ้าให้เราประเมินผลเองเราก็อาจจะประเมินไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะเรามีนิสัยเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเองดังในคําพูดของโบราณนืสุภาษิตที่พูดไว้ว่าความชั่วของตนแม้จะมากกองเท่าภูเขา ก็เห็นเป็นเพียงผงทุลีส่วนความดีของตนแม้นจะมีเพียงผงทุลีก็จะเห็นเท่ากองภูเขาเราถึงมักจะบ่นกันเรื่อยเสมอว่าทำแต่ความดีทำไมไม่ได้ผลดีเลยไม่สุขไม่เจริญเลยแต่เรามองไม่เห็นผลการกระทําที่ไม่ดีของเรานั่นเองเรามักจะเห็นแต่การกระทาเล็กๆน้อยๆที่ดีของเรา ว่าเป็นความกระทาเป็นการกระทำที่มากมายกายกองส่วนการกระทาที่ไม่ดีที่มีมากมายกายกองเรากลับมองไม่เห็นหรือเราไม่ยอมมองหรือเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีด้วยเหตุ น, นี้เราจรึงต้องอาศัยมาตรฐานเป็นเครื่องวัดเหมือนเราจะวัดความยาวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมีไม้บรรทัดเช่น ย, ยาวกี่นิ้ว สี่สอบสี่วาถ้าเราวัดไปตามความรู้สึกของเราคนหนึ่งก็บอกว่าสั้นคนหนึ่งก็บอกว่ายาวได้ทั้งๆ ท, ที่ของมันก็เท่ากันแต่คนหนึ่งก็บอกว่าสั้นอีกคนบอกว่ายาวฉันใดความดีความชั่วที่เราได้สะสมมาก็เป็นเช่นนั้นถ้าให้เรามองตัวเราเองเราก็จะมักมองว่าเราทำตามดีมามากทำความชั่วน้อย แต่เราไม่ดูที่ผลว่ามันเป็นอย่างไรผลที่เกิดกับตัวเรานะันมันเป็นอย่างไรมันดีหรือมันไม่ดีมากน้อยเพียงไรขอให้ดูกันที่ผลก็แล้วกันหรือถ้าจะดูที่เหตุก็ขอให้ดูตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คือสอนให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งหลายเสีย และให้ชำระชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจักใจนี่คือมาตรฐานที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเราได้ทำความดีชั่วมากน้อยเพียงไรความดีที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำนั้นนี้ก็มากมายด้วยกันเช่นให้มีความกตัญญูกตวเวทีเรามีความกตัญญูกตวเวทีมากน้อยเพียงไรให้มีสัมมาคารวะ มีความคารพในผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักที่ต่ำรู้จักที่สูงให้มีความเสียสละเราได้เสียสละมากน้อยเพียงไรเราให้มีความขยันหมั่นเพียรเราขยันมากน้อยเพียงไรให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความซื่อสัตย์สุจริให้มีความเมตตากรุณามมดิตาอุเบกขา เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ดีเรียกว่าเป็นการกระทําความดีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มากเพียงไงเราก็จะมีความสุขความเจริญมากขึ้นเพียงนั้นถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่เจริญไม่มีความสุขเพราะนี่มันเป็นเรื่องของเหตุและผลมันไม่ได้เรื่องของการอยากได้แล้วมันจะมาเอง เราอยากจะได้ความสุขความเจริญกันแต่ถ้าเราไม่ทําความดีกันความสุขความเจริญมันก็จะไม่มามาแต่เรื่องที่ไม่ดีก็เพราะเราไปทําความชั่วเอาไว้ไปทําบาปทํากรรมเอาไว้ไปทําในสิ่งที่ดีเอาไว้เช่นอะไรเช่นความไม่มีความกาตัญญูกตวเวทีคือความเป็นผู้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนเนรคุณอย่างนี้ เป็นคนไม่มีรู้จักที่สูงที่ต่ำไม่มีสัมมาคารวะเป็นคนเกียจคร้านชอบมั่วสุมกับอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนี่เป็นการกระทําที่ไม่ดีทําไปแล้วจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียนํามาซึ่งความทุกข์ต่างๆ เราเป็นคนที่มีความโลภโมโทสานมากน้อยเพียงไรหรือเป็นคนที่ไม่โลภโมโทสานยินดีตามมีตามเกิดหรือไม่หเห็นอะไรก็อยากจะได้หรือเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือแบบชนิดว่าเห็นแล้วอยากจะได้ต้องเอามาให้ได้ไม่ได้มาด้วยความสุจริตก็ต้องมาด้วยวิธีทุจริตไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกล อย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีความโลภโมโทสันมากแล้วมันก็จะนําพาเราไปสู่การกระทําบาปทํากรรมต่างๆแล้วความโลภโมโทสันนี้มันก็จะไม่น้อยหมดไปน้อยลงไปจากจิตจากใจเราถ้าเราทําตามความโลภโมโทสันความโลภโมโทสันมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการส่งเสริมให้มันจเจริญงอกงาม การที่เราจะลดละตัดความโลภโมโทสันลงไปเราต้องฝืนเราต้องต่อสู้ไม่ยอมทาตามความโลภโมโทสันเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธก็ไม่ไปโลภตามไม่ไปโกรธตามต้องรู้จักวิธีกําจัดความโลภรู้จักวิธีต่อสู้กับความโกรธเช่นความโลภท่านก็สอนให้เราใช้เหตุผลให้พิจารณาทุกครั้งเสมอไปเวลาเราต้องการอะไร เราถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันมีความจำเป็นกับชีวิตเราหรือไม่ถ้าเราไม่ได้มันมาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้ามันไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นเช่นเสื้อผ้ารเรามีอยู่เต็มตู้แล้วเราเดินไปตามกระถามตามร้านค้ า, าต่างๆเห็นเขาเอาเสื้อผ้าออกมาจัดเอามาโชว์สวยๆงามๆเห็นแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมา ถามว่ามันจำเป็นไหมถ้าเราไม่ได้เสื้อผ้าชุดนั้นแล้วเราจะตายไหม<อ>เราจะทำมาหากินได้ไม่ได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น<อ>ถ้าคำตอบบอกว่ามันไม่จามันเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้เราก็อย่าไปฝื้นความจริงอย่าไปฝื้นเหตุผลเหตุผลนี่แหละคือปัญญาคือความฉลาดคนที่มีเหตุผลเรียกว่าเป็นคนฉลาดคนที่ใช้อารมณ์ เรียก่็เป็นคนโง่เวลาโลกก็โลกตามเวลาโกรธก็โกรธตามดามที่เขาพูดกันว่าคนโกรธคือคนบ้าคนโมโหคือคนโง่นั่นเป็นเพราะว่าใช้ใช้อารมณ์เวลาโกรธเราก็ควรจะระงับความโกรธอย่าไปโกรธตามเพราะความโกรธนี้มันไม่ดีกับจิตใจของเรามันเป็นเหมือนไฟนรก เวลาเรามีความโกรธในใจเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องระบายความร้อนนี้ออกมาด้วยความคิดที่ไม่ดีด้วยการพูดที่ไม่ดีด้วยการกระทาที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเอาไฟเอาน้ำธรรมะมาดับไฟแห่งความโกรธนี้ได้ใจเราก็สงบเย็นเป็นสุขเป็นปกติเหมือนที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ เวลาขณะนี้เราเป็นอย่างไรเรารู้สึกสบายเราไม่คิดอยากจะไปไปไ ป, ไปพูดไปดา่าไปทำไปว่าใครไม่อยากจะไปทำอะไรใครเพราะในขณะ น, นี้ไฟแห่งความโกรธมันไม่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั่นเองแต่ในขณะที่มันปรากฏขึ้นมาเราต้องเอาน้ำแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดับมันอย่าไปทําตามความโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอาฆาตพยาบาท ต้องรู้จักให้อภัยต้องให้อภัยคิดเสียว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคำพูดของคนพูดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราเอาไปเอาไปเราย้อนกลับไปไม่ให้เขาพูดไม่ได้พูดไปแล้วแต่เราทำให้เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ได้คืออย่าไปจามันอย่าไปนึกถึงมันเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปมันก็ผ่านไปแล้ว มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือคิดเสียว่าเขาพูดถึงคนอื่นก็แล้วกันเขาไม่ได้พูดถึงเราหรือถ้าพูดถึงเราเราก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเท็จจริงอย่างไรถ้าเขาพูดเป็นความจริงเราก็ควรที่จะยกมือไหว้เขาสิเพราะคนที่เขาชี้ความผิดของเราเป็นเหมือนคนที่ขุมทรัพย์ให้กับเรานั่นเอง าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเสียหายเราทำอะไรที่ไม่ดีที่จะสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความเสื่อมเสียให้กับเราเหมือนกับคนก็เอากระจกมาให้เราส่องดูหน้าเราถ้าเราไม่ส่องดูกระจกเราจะไปรู้หรือว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรในขณะนี้ก่อนจะออกจากบ้านทุกคนต้องดูกระจกกันก่อนเสมอดูว่าเรียบร้อยไหมสวยงามไหม แต่ถ้าเกิดกระจกมันบอกว่ายังไม่ผ่าเราก็ต้องกลับไปแต่งไปเติมใหม่ไปล้างหน้าล้างตาไปแปรงฟันใหม่ไปหวีผ้าหวีผมใหม่ไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเสียก่อนอย่างนี้กระจกเขาทาหน้าที่ที่ดีไม่ใช่เรอเขาช่วยบอกจุดจุดจุดบกพร่องของเราเพื่อเราจะได้แก้ไขเพื่อเราจะได้สวยงามจดจคนที่เขาพูดความจริงของเราในส่วนที่ไม่ดี เช่นเขาบอกว่าเราเป็นคนเกียดคร้านเราเป็นคนขี้ตืดนขี้เหนียวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาเตือนเราบอกว่าเราไม่ควรที่จะเป็นคนเกียดคร้านเราไม่ควรที่จะเป็นคนขี้เหนียวตนเองเพราะมันไม่ได้นำมาสร้งความสุขความเจริญแต่ถ้าเราเป็นถ้าเราเราพิจารณาแล้วก็เป็นอย่างที่เขาพูดไว้แล้วเรามาแก้ไข ต่อไปนี้เราจะไม่ขี้เกียจแล้วเราจะขยันเราจะพยายามไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่ไปเล่นไม่ไปเล่นไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินไม่ไปดื่มเอาเวลามาทำงานทำการหาเงินหาทองดีกว่าอย่างนี้เราต่อไปประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใครมันก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราขยันทางานเราก็จะมีรายได้เข้ามา เมื่อเราขี้เกียจเที่ยวขี้เกียจดื่มขี้เกียจกิน ร, ร, รายจ่ายมันก็น้อยลงไปต่อไปเราก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้นี่ก็เกิดขึ้นจากคนที่เขาบอกเราว่าเราเป็นคนตนีเป็นคนขี้เกียจแล้วเราเอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองประโยชน์ที่จะได้รับก็คือตัวเราเองท่านจึงสอนว่าให้ฟังเสมอไม่ว่าใครเ็าจะพูดอะไรก็ตาม ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเขาพูดถูกก็เป็นประโยชน์กับเราเขาพูดไม่ถูกเราก็ไม่เห็นจาเป็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรในเมื่อสิ่งที่เขาพูดมันไม่มันไม่ถูกมันไม่จริงแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปก็แล้วกันเช่นเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วลองดูกระจกก็ดีแล้วแต่กระจกวัวยังไม่ดีพออย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปฟังมันเพราะเราดูแล้วมันก็ใช้ได้อยู่แล้วมันดีพออยู่แล้ว คนก็เช่นกันถ้าเราดีอยู่แล้วแต่เข้ามาบอกว่าเราไม่ดีเช่นเขาบอกว่าเราตั น, นีแต่เราไม่ตั น, นีเราสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลาเราไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองรู้ว่าก่อนมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่กับตัวเราก็เราก็เอาไปไม่ได้เวลาเราตายไปเราก็ต้องทิ้งไว้หมด แล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองที่เราหามาด้วยแสนยากลาบากแต่ถ้าเราเอาเงินทองนี้ที่มีอยู่เหลือกินเหลือใช้นี้ไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทําให้เราได้บุญได้กุศลได้ความสุขใจได้ความภูมิใจได้ความอิ่มเอิบใจซึ่งจะไปช่วยกําจัดความโลภอีกทีนึงถ้าเราให้มากๆแล้วต่อไปเราจะไม่ค่อยโลภ ก, กับอะไรเท่าไร่ เพราะใจเราไม่หิวนั่นเองแต่เราได้รับอาหารคือคือการให้ทานเป็นอาหารของจิตใจเมื่อให้แล้วมันก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจเวลามันเห็นอะไรมันก็รู้สึกเฉยเฉยเห็นเสื้อผ้าเขาแขวนไว้ในร้านก็ไม่รู้สึกจะอยากจะได้อะไรขึ้นมาเพราะรู้ว่าไอ้ของเหล่านี้มันเป็นของปลอมนั่นเองได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทําให้จิตใจเรามีความสุข มีความอิ่มเอิบเหมือนกับการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับได้ได้เอาเอาของเอาเงินไปไปให้ผู้อื่นลหลังจากนั้นแล้วเราจะชอบเราจะรักการให้ทานอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> ดังที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันอย่างอย่างสม่ำเสมอก็เพราะว่าได้รับความสุขจากการให้นี้เองเวลาให้นี้เราได้เสียสละด้วย กำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้มันทำให้เราใจแคบใจไม้ไส้ระกมทาให้เราไม่มีความสุขมองใครก็กลัวเขาจะมาขอเงินขอทองจากเราแต่คนที่ให้อยู่เสมอนั้นจะเป็นคนใจกว้างจะเป็นคนที่มีความเมตตาไมาัตีจิตเห็นใครไม่ก็ไม่รังเกียจ พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอถ้าสิ่งที่จะที่เขาขอเขาต้องการนั้นไม่อยู่ในกอบเขตของเหตุผลเช่นถ้าเขาขาดปัจจัยสีนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสงเคราะห์เพราะทุกคนจะมีความจาเป็นกับเรื่องปัจจัยสีด้วยกันถ้าเจอคนบทยากโซเซมาบดข้าวไม่มีอาหารรับประทานให้อาหารก็ารับประทานนี้มันเป็นมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ ไม่มีเสื้อผ้าใส่เรามีของเราที่เหลือใช้ก็เอาไปให้เําใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าพอที่จะจัดพอที่จะหาได้ก็ช่วยกันไปไม่มียารักษาโรคยาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันไปอย่างนี้ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิน้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชัว่วเราก็ต้องช่วยเขาเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรม เป็นการเป็นความเมตตากรุณาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทร ง, ทรงตรัสว่าแม้แต่พระองค์เองถึงแม้จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราเห็นผู้อื่นเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเห็นพระภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราดูแลรักษาท่านพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเหมือนจับได้ดูแลพระพุทธเจ้าโดยตรงการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่การช่วยเหลือที่มันไม่ถูกก็มีอยู่เหมือนกันเช่นเขามาขอเงินขอทองไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้เราไม่ต้องไปให้เขาหรือเรื่มาของเงินไปใช้หนี้นี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เมื่อเมื่อก่อหนี้ได้ก็ต้องมีปัญญาใช้หนี้เขาไปื้อไม่มีปัญญาใช้หนี้ก็ต้องให้เขาจับไปลงโทษเสีย มันจะได้เขตหลาบจะได้ไม่ไปกู้ยืมไปกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่นเขาอีกจะได้รู้จักอยู่ในขอบเขตของความพอดีคนที่มีหนี้มีสินนี่ส่วนใหญ่เพราะความโลภพาไปความเกลียดค้านทำให้เป็นอย่างนั้นที่เกียดทางานทำการหาเงินหาทองแต่ขยันใช้เงินใช้ทองถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นหนี้ของอย่างแน่นอนเพราะถ้าใช้ใช้มากกว่าหาได้ แล้วเราจะหาส่วนที่ขาดมาจากที่ไหนก็ต้องไปหลอกชาวบ้านเขาไปขอคู่นี่ยืมสินเขามาแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราเมื่อเขามาทวงหนี้ไม่ได้เขาก็ต้องไปเรียกตำรวจมาจาับเราไปเข้าคุกเ ข, ข้าตรางเราก็เดือดร้อนก็ไปขอเงินขอทองคนอื่นเขามาอีกอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกอย่างนั้นเวลาใครมาขอความช่วยเหลือเพื่อให้ไปปลดเปื้องหนี้สิน ถ้าเราไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณเขาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยหร อ, อกปล่อยให้มันถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปมันจะได้รู้จักเข็ดาบจะได้รู้จักต่อสู้กับความโลภอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามความโลภใช้เงินใช้ทองไปกับของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างนี้มันไม่มีความจาเป็นถ้าคนรู้จักใช้เงินรู้จักต่อสู้กับความโลภแล้วรับรองได้ว่า จะไม่มีนี่อย่างแน่นอนแต่ต้องมีความขยันด้วยไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าต้องรู้จักพึ่งตัวเองรู้จักทำมาหากินเลี้ยงชีพหาไรายได้มาแล้วเมื่อได้รายได้มาแล้วก็ให้ใช้อยู่ในความพอดีกับรายได้ของเราคือไม่ใช้มากกว่าที่เราหามาได้แลวต้องใช้ให้น้อยกว่าเพียรด้ซ้ำไป เราเราจะต้องมีส่วนที่ต้อ ง, องเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วต้องมีอีกส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปใช้ทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือนำมาไปทำบุญทำทานเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตตายไปชาติหน้าจะได้มีเงินมีทองรอรับเราอยู่ไม่ต้องไปเกิดบนกองขยะไปเกิดบนกองเงินกองทอง ไปเป็นลูกเศษรษฐีลูกลูกคนใหญ่คนโตนี่ก็เป็นอนิสง์ของการเก็บเงินเก็บทองไม่ไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเอาไปทำบุญทำทานดังนั้นถ้าเรารู้จักตรวจตาดูตัวเราเองว่าเราได้นำเนินชีวิตของเรามาอย่างไรรับรองได้ว่าชีวิตของเรา ในปีหน้าจะดีขึ้นกับปีนี้อย่างแน่นอนเห็นสิ่งไหนที่ไม่ดีก็กำจัดมันเสียสูบบุหรี่หรือเปล่าสูบก็เลิกมันกินเหล้าหรือเปล่าก็เลิกมันเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าก็เลิกมันซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้หรือเปล่าก็เลิกมันอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน อย่าไปหลงหาความสุขกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความเสียหายต่อไปความสุขก็คือความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการทำหน้าที่ของเราถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ตั้งใจเรียนหนังสืออ ย, ยอย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวอย่าไปหนีโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้คะแนนดีๆเพื่อเราจะได้เรียนหนงส ถ, ถ้าเรียนเก่งดีไม่ดีก็ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนมีคนเขาให้ทุนการศึกษากับเรานี่คือการดำเนินชีวิตไปสู่การที่ดีถ้าเราอยู่ในเพศของการทำงานวัยของการทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำ ง, งานทาการเก็บเงินเก็บทองหามาได้เท่าไหร่ก็อย่าเอาไปใช้หมดเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นเสื้อหานารับประทาน ไปหาหมอเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็พอเก็บไว้เยอะๆแล้วต่อไปเงินมันจะเป็นตัวออกดอกออกผลให้กับเราเก็บไว้ในธนาคารมันก็มีดอกเบี้ยให้เรากินเอาไปลงทุนเราก็จะได้ขยายกิจการของเราให้ใหญ่โตขึ้นไปอีกคนที่ก็เป็นเศรษฐีเ็าเป็นเศรษฐีแบบนี้ เขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเพราะเอาเงินที่หาได้มาแสนลำบากไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อหวยหรือปเป็นเรื่อการพนันคนพวกนี้มีแต่จะยากจนไม่มีโอกาสที่จะร่ ำ, ร, ำ, ร, ำรวยได้คนที่เขาร่ำรวยลองไปศึกษาดูประวัติของเขาดูเขาจะขยันทำมาหากินขยันหาเงินหาทองขี้เกียจ ใ, ใช้เงินใช้ทองเขาจะไม่ค่อยชอบใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่ แต่ก็ชอบหาชอบรักษาแล้วก็ชอบเอาเงินนี้ไปลงทุนมีร้านหนึ่งก็ไปเปิดร้านที่สองเปิดร้านที่สองแล้วก็เปิดร้านที่สามขยายไปเรื่อยตอนนี้เป็นสิบล้านร้อยล้านขึ้นมาก็เพราะเขาขยันหาเงินหาทองเขาขี้เกียจใช้เงินใช้ทองนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากการกระทาของเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะเคยกระทำ อะไรที่มันแตกต่างกันมาในอดีตมันจึงทําให้เรามีความสุขความเจริญแตกต่างกันคนบางคนแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยในชาตินี้แต่ก็ร่ำรวยสุขสบายนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ทํามามากแล้วในชาติก่อนๆคนบางคนทําแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเท่าไหร่เพราะในอดีตก็ไม่ได้ทํามาในปัจจุบันก็ทําไม่ถูก ทำแล้วแทนที่จะเก็บเงินเก็บทองก็เอาไปใช้กับของไม่จาเป็นซื้อสุรายาเมลาซื้อบุหรี่ซื้อร็อเกรี่ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาใช้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้ไม่มีโอกาสที่จะโมง่งยหัวขึ้นมาได้เพราะทำไม่ถูกทำไม่เป็นนั่นเองดัง น, นั้นเราจึงต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำไปปฏิบัติให้ได้ ถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญไม่ว่าจะในทางโลกหรือใ น, ในทางธรรมก็จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี่มันเป็นของคู่กันไม่มีใครสามารถที่จะมาภาคจากกันได้ถ้าเราปลูกต้นต้นมะม่วงไว้ผลก็คือลูกมะม่วงมันจะต้องออกมาอย่างแน่นอนจะไปหยอก จะไปอยากให้มันออกเป็นกล้วยเป็นส้มนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมะม่วงมันก็ต้องต้นมะม่วงมันก็ต้องออกลูกมะม่วงขึ้นมาฉันใดความสุขความเจริญมันก็ออกมาจากความขยันหมั่นเพียรความดีทั้งหลายนั่นเองส่วนความทุกข์ความเสื่อมเสียมันก็ออกมาจากการกระทําไม่ดีทั้งหลายเช่นเดียวกันมันไม่ได้มาจากที่ไหนคนเรามีความแตกต่างกันก็ตรงนี้แหละตรงที่การกระทําของเรา สิการกระทะหม้อเราที่มันแ ต, แตกต่างกันก็เพราะปัญญาของเรามันไม่เท่าเทียมกันนั่นเองความรู้ความฉลาดไม่เท่าเทียมกันคนรู้คนรู้มากคนมีปัญญามากย่อมทำความดีได้มากย่อมได้รั บ, บความสุขความเจริญได้มากคนที่รู้น้อยปัญญาน้อยย่อมทำความดีได้น้อยย่อมได้รับความสุขความเจริญได้น้อย ดังนั้นถ้าเรายังไม่ยังไม่เจริญเท่าที่เราอยากจะเจริงยังไม่สุขเท่าที่เราอยากจะสุขเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมและไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญได้นอกจากความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นความรู้ทางาศาสนานี้จะทำให้เราได้เจอความสุขและความเจริญที่แท้จริง แต่ถ้าความรู้ทางโลกแล้วมันไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือของความโลภโมโหโันที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นเราจึงควรมีความรักมีความยินดีต่อการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอเข้าวัดเข้าวาอยู่เรื่อยๆ หรือถ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็หาธรรมะเช่นหนังสือธรรมะแผ่นซีดีหรือเทปธรรมะเอาไปเปิดเอาไปฟังเอาไปอ่านกันหรือเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ก็มีธรรมะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่าไปเห็นว่าธรรมะเป็นของล่าสมัยธรรมะนี้เป็นของที่ทันสมัยอยู่เสมอเพราะธรรมะนี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เราฉลาดรู้ทัน ความไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกวันนี้เรารู้ไม่ทันสิ่งที่ไม่ดีมันจึงหลอกให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี่ก็รู้ไม่ทันแล้วซื้อมาทำไมเนะีเมื่อเรามีของอยู่เต็มตู้เสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้รองเท้ามีเต็มตู้ซื้อมาแล้วก็มาสร้างภาระต้องไปซื้อตู้มาเพิ่มมาเก็บมันอีกทั้งๆที่เท้าก็มีอยู่แค่คู่เดียวน รองเท้าทำไมต้องมีเป็นสิบเป็นร้อยคู่เสื้อผ้าก็มีต้องเยอะแยะร่างกายก็มีร่างกายร่างกายเดียวเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองเพราะเรามันโง่นั่นเองเราไม่ทันความความโง่ไม่ทันความคิดที่โง่ที่มันหลอกพาให้เราไปทําในสิ่งที่ทําให้เราจะต้องทุกข์ให้เราต้องวุ่นวายใจไม่รู้จักสบจากสิส้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่เราได้ยินอย่างในวันนี้ เราฟังแล้วเราต้องเอาไปเตือนเราด้วยอย่าฟังแล้วปล่อยไว้ลืมไปถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปคิดต่อเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวพอออกไปเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้ขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งอยากจะได้อะไรถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นหรือไม่ตายหรือไม่ถ้าไม่มีมันแล้วจะตายหรือไม่ คิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วรับรองได้เพราะถึงเวลาแล้วมันจะเอาชนะความโลภได้เอาชนะความโกรธได้เวลาโกรธก็ต้องมองเห็นว่ากำลังสร้างไฟนรกขึ้นมาในใจต้องรีบดับมันด้วยการให้อภัยด้วยการไม่ถือสาไม่เอาเรื่องเอาเราวเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปอย่าไปมีเรื่องมีราวให้มันกลายเป็นความทุกข์ซ้อนขึ้นมาเลยให้มันเป็นเรื่องซ้อนขึ้นมา นี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้โลกเราใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจในการกระทำของเราในแต่ละวันในแต่ละเวลาว่าเราทําตามมาตรฐานที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้หรือเปล่าการกระทําของเราทําไปแล้วทําให้เกิดความสุขความเจริญเลิกเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาขอให้เราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ปีหน้าจะเป็นปีที่สดใสขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นและจะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆปีจนกระทั่งจะไม่มีอะไรเลวร้ายปรากฏกับชีวิตของเราเลยมันเกิดขึ้นจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้นาไป พ, พิจารณาเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุดติดไว้เพียงเทียนขอคุณพระศีรัตะนาจายมีพระพุทธธรรมพระสงค์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและใน ท, งทางธรรมโดยทั่วหน้าการเทอ